อ๋ต่อไปนี้ก็จเจริญสติกันต่อนะฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติเอาย้ำเดี๋ยอย่างเงี้ยเอาดูที่สักสิบครั้งจะเป็นยังไงแค่มาครั้งเดียวตอนนี้ไอเติมตอามันน้ํามันตะเกียงก็เริ่มหายหายไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมเริ่มเริ่มไม่ไปวุ่นวายกับ อคำนวนคำนี้แล้วใช่ไห ม, มเรื่องรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรแล้วนั่นแหละเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องภาคบ่ายเนี้ยอยากยัให้พวกเราเดินนะเดินนรสมาก็จะเดินด้วยเพราะว่ามันไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วอา้าวเตรียมตัวอา้าวมาพูดถึงเรื่องการเดินหน่อยนะวันนี้จะเดินสบายๆอย่าไปเครงเครียดอย่าไป เรื่องการเดินเมื่อเรานัา day, ่งสมาธิรู้ลมหายใจอาการที <t <t uh ่ยังระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจเคลื่อนออกตั้งแต่ต้นลมกลางลงสุดลมอาการที่มันยังระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจที่เคลื่อนข้าตั้งแต่ต้นลมกลางลงและสุดลมยังระลึกนั้นเราเรียกว่าสติทําให้ต่อเนื่องบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบยบ่อยๆสติตัวนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นมา เมื่อเขาแข็งแรงขึ้นมาโดยตั้งอยู่ที่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เรียกว่าสติปัฏฐานนะทีนี้เดินเป็นอย่างไรเดินก็คือให้มีการยังระลึกลงไปสู่การเคลื่อนไหวของเทา้าให้มีการยังระลึกลงไปสู่การเคลื่อนไหวของเทา้าอ่านี่เท้าสมมติเท้าเรามันเคลื่อนไหวอย่างไรปกติ นะปกติเราไม่เคยรู้สึกกับมันแต่ครั้งนี้เราจะย่างระลึกลงไปสู่การเคลื่อนไหวของเท้าพอเท้ามันเคลื่อนไหวย่างระลึกลงไปรู้สึกได้เคลื่อนไหวรู้สึกเหยียบลงรู้สึกสุดียกขึ้นมันก็รู้สึกย่างก็รู้สึกและเหยียบรู้สึกนี่ใหม่ๆคนที่ไม่เคยเดินเลยเคยเดินยังเคยครั้งหนึงในชีวิตอายุเท่าไหร่จ๊ะ ไม่ใช่จะได้บอกให้รู้ว่าเห็นไหมอายุเท่าไรบอกเออหกสิบเอดเคยเดินจงกลมครั้งเดียวดูซิชีวิตหนอชีวิตหกสิบเอ็ดเคยเดินจงกลมครั้งเดียวกี่นาทีโดยประมาณจะไม่ได้ค่ะเดินก็และโรหายไปแล้วด้วยเดินเดินแล้วก็นั่งเดินแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยอ้าครั้งเดียว ดูที่สิ่งที่เป็นเรื่องหลักคือการฝึกฝนเจริญสติสมาธิปัญญาเป็นเรื่องหลักของชีวิตทำแค่ครั้งเดียว61ปีที่เหลืออะไรที่เหลือนั่นแหละคืออำนาจของกิเลสชาติแหละเพราะฉะนั้นพระพิจารณาึงบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้แต่และคนมันยาวนานน่ะเขาถึงกล้าบอกกันว่า ถ้ากระดูกที่เราเกิดพรตายแต่ละชาติมันไม่ผุไม่พังกองแต่ละคนนี่เป็นภูเขาแล้วกระดูกเปิ้นนี่ก็เป็นภูเขาแล้วทำไมไม่ผุไม่พังใช่บะฮะกระดูกอบีนี่ก็เป็นภูเขาแล้วแต่มันไม่ผุไม่พังแต่ละพบแต่ละชาติอ่ะบีเอ้ยมันเป็นอย่างนี้หาเบื้องต้นเลยที่สุดไม่ได้เพราะคิดดูทีเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อวิยมนะคือดี๋บางคนไม่มีเลย นี่ก็ยังดีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเฮ้แต่ต่อไปก็จะมีหลายๆครั้งนะอืมอย่างระลึกลงสู่การเคลื่อนไหวของเท้าเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากการเดินการนั่งทั้งหมดให้นำเข้าไปสู่ความตั้งต้นความตั้งต้นคืออะไรท่องให้ขึ้นใจเลยความตั้งต้นคือรูปนามดั้งเดิมของเรา เอาตั้งแต่เราออกมาจากท้องแม่เลยดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ข้างนอกชื่อก็ยังไม่มีเสื้อผ้าก็ยังไม่มีตัวกระตีดนึงมีแค่รูปแค่นามกายกับใจตั้งนั่นคือตั้งต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ความตั้งต้นให้อย่างระลึกเข้าไปเสร็จแล้วดูการเคลื่อนไหวของเท้าส้นยกขึ้นก็รู้สึกย่างไปก็รู้สึก เหยียบลงก็รู้สึกท้าที่มันสั้นๆนะถ้าที่ยาวๆแต่คนแต่ที่พูดนี้สําหรับคนที่ยังไม่ไม่เคยเดินเคยเดินยังอะยังเหรอชุวันรบ ก, กวนหน่อยโอ้ชุวันนะชวนไปไหนอะอูะ่ข้งล่างสุวันก็ปวดขานีน่ยะเออดูอย่างนี้นะไม่เป็นสิทวดดูแล้วคนที่ไม่เคยเดินอะ เวลาเดินเนี่ยอันดับแรกเลยเรารู้การยืนก่อนเนี่ยทาริจทารกิจเรื่องะเรารู้การยืนอย่างนี้เขาว่ายืนคืออะไรจุดตั้งต้นของการยืนชื่อนำสมบูรณ์ตัวเองออกไปเราเป็นใครชัางมันเหมือแค่รูปปน้ำนี้นะรูปน้านี้ในเมื่ อ, อยืนมันมีแนวพลายที่ทรงตั้งขึ้นเป็นแท่งตั้งน้ำหนักทั้งหมดก ด, กดลงไปสูงเท้าของตั้ ฝ่าเท้าจะรับฟันได้ด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นเรารู้สึกการยืนก็รู้สึกตัวตั้งแต่ศีสัตวลงไปถึงฝ่าเท้าและรู้สึกได้ถึงน้ําหนักที่กดอยู่ที่เท้าทั้งซ้ายได้กว่าพยาญชนะเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวาให้มันรู้สึกแล้วก็รู้ชัดชัดว่านี่คือการยืนเช่นไรอย่างเนี้ยทีนีตั้งใจในใจเลยเป็นผสมจิตตั้งใจว่าเราจะรู้สึกการเคลื่อนไหวของเท้าของเราทั้งซ้ า, งายได้กว่ า, ท, า, ว า, ท, า, วาทุกขนาดของการเคลื่อนไหวแล้วก็ซ้อม ยกส้นเท้าขึ้นให้จิตบรรลุสึกให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะที่ส้นเท้ามันยกขึ้นวางลงยกขึ้นวางลมเนี่ยช่อม่มันเกิความรู้สึกกระซ้ายกระาความรู้สึกนั้นแหละที่เรียกวมว่าการหยั่งระลึกสู่การเคลื่อนไหวของเท้ายกขึ้นพักเห็นความหยั่งระลึกยกขึ้นพักเห็นความหยั่งระลึกจากนั้นก็ลองก้าวไปข้างหน้าให้มันรู้สึกเหยียบให้รู้สึก ก้าวกลับมาให้รู้สึกก้าวไปทํามาอห้รู้สึกก้าวกลับมาให้รู้อ่าทีนี้เราก็เดืเดินพอยกขึ้นปักอีกที็รู้สึกสบายสายก้าวไปสั้นๆถ้าเราเลินใหม่ๆถ้าก้าวยาวๆมันจะแขวนก้าวไปสั้นๆยกขึ้นทุกนิ้วึแล้วก้าวไปก็รู้สึกเยียบลงรู้สึกพอเยียบลงปกสัญชาตญาณของเราที่เคยอบรมมาด้วยมากของจิเลศมันมีความประมาทเป็นเป็นเป็นมูพอเราพอเราปกติพลื่นัก มือ ย, ยีบปับ๊บต้นท่านี้มุ่ยกขึ้นแะ้วใช่ไหมยกขึ้นแล้วเราไปรู้อะไรก็แสดงว่าไอ้ต้นนี้ยกขึ้นโดยประจากสติ<ม>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำกับตัวเราเองให้ได้ผมมยกต้นขึ้นรู้สึกยากไปรู้สึกเหยียบรู้สึกปับ๊บยกความรู้สึกของเราจิตเราเนี่ยมาไว้ที่เท้าอยู่เท้าร้องที่จะรู้ในการเคลื่อนไหวของมันตอ่อสบายๆอย่างเนี้ย้ารจะบอกไม่ต้องเิ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไปสบายๆเนี้ ส้นมายกขึ้นให้รู้สึกส้นมากขึ้ยากไปรู้สได้ยไปรู้สึกสวนฝ่มือยกติดกลับมาสบายๆก็ยกไปรู้สึยากไปรู้สึเดรู้สึกพอไปสุดกำหนดที่การมนมาสุดปัรู้สึกนี้คมันจะหมุนแล้ว้ยก็รรู้การยืนไม่ได้เทนจะหมุนหมุนปัก็รู้สึกหมุนพก็รู้สึหมุนปัก็รู้สึหมุนปัก็รู้สึ แล้วรู้ให้มันละเอียดเลยรู้ให้ละเอียดตัว่ารู้ในการยืนอย่างอีกอาจจะไปเหลี่ยวซ้ายก็ได้มองตรงก็ได้เหลี่ยวขวาก็ได้นี่คือการรู้ทั้งหมดนะเสร็จแล้วน้องยิบกลับมารู้การยืนรู้น้ําหนักเนี้ยแต่ก็ยกส่วนขึ้นรู้สึกย่าไปก็รู้สึกยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกพอไปสุดการเดินปั๊บก็รู้การยืนนี่ทาการอย่างระลึก การอย่างรู้นั้นให้ผูกอยู่กับการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เวลาของเรา<ม>จรินเป็นศูนย์ถ้ากลับไปถ้าเราเดินเดินอยู่มารู้สึกนานีแล้วว่แน่หลุดแล้วหลุดแล้วนานนานอย่างนี้ทำไมเรางพ่อยังไม่เรียกนี่นคือการเกิดอาการกดดันและบีบคั้นจิตนั้นหลุดออกไปจากความเป็นปัจจุบันแล้วแต่ถ้าครับใดมันยังอยู่กับความเป็นปัจจุบันเรอย่างนี้ มันแน่แน่เมว่าความเปัจจุบันอย่างนี้มันเป็นอนิสิตะมันไม่เป็นที่อาศัยของความรู้สึกโทษใดๆแล้วก็เดินไปนะแต่กาหนดจุดเดินเดอวก่อนอ่าด้วยแบ่งสถานที่คเนเดินลงไปชั้นสนี่ชั้นสามชนนี้ชั้นล่างอย่าลืมนะสบายๆหาจุดที่ตั้งต้นของตนเองแล้วมองกำหนดปลายทางไว แล้วก็ที่สำคัญปลดสิ่งที่แปะออกให้หมดเหลือแค่รูปแค่นามไม่ต้องสนใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราก็คือแค่รูปนี้นามนี้เท่านั้นเองแล้วเราจะรู้การเคลื่อนไหวของเท้าของเราในขณะที่เดินแค่นั้นแล้วก็เดินไปจนกว่าจะหยุดติดด้วยเวลาช่วงนี้เราอยู่ในเทศกาลอะไร ลองมีแต่จุดจีนอย่างเดียว ว, วาเลนตุงวาเลนไทยไม่เอาอ่ะวันนี้อยู่ในเทศกาลของอะไรเออเทศกาลวันแห่งความรักมีสองอย่างวาเลนไทยกับมาคาบูชา เทศ ก, กาลมาค้าบูชามีแต่จุดจีนกับวัดินไทยที่ไหนเหรอมาค้าบูชามันดีตัววัดินไทยมันดีต่อใจยังไงงานนักวัดินไทยทั้งหลายมีใครมั่งเป็นนักวัดินไทยดีต่อใจยังไง แล้วจุดจินดีต่อใจดีต่อใจยังไงอืทั้งสองวันนี้ดีต่อใจจะชู่วันมาฆบูชาไม่ได้ใช่ไหมถ้ามาฆบูชาดีต่อใจยังไงอ่ะเดี๋ยวองคิดดิบีเอช่วยตอบมังเออตอบมั่งดิ วันมาคะบูชาดีต่อใจของเราอย่างไรอืมแล้วพระพุทธเจ้าแส ด, ดงอวบปฏิบุกก็คืออวบปฏิบุกแต่ถามว่าดีต่อใจของเราอย่างไรอ่าเออนัอ่นอย่างนั้นก็เพื่มใจเหรอเพื่มใจเรื่องอะไร ม, มาคะบูชาดีต่อใจของเราอย่างไร ไม่มีวันมาค้าบูชานี่บัดดีไม่ดีเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อยู่กันวันนี้นะอืมไม่มีมาค้าบูชาเราอาจจะ <c oughs> ไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาในฐานานี้ก็ได้อาจจะเป็นมหาเป็นนิกายอื่นๆอาจจะไม่มีเทราวาตอาจจะเป็นนิกายอื่นๆแบบเหมือนกับมหายานนะ่ะปฏิบัติยุกยิ ก, ยก มาคาบูชาเป็นวันที่มีความสําคัญพระพพุทธเจ้าทรงวางรูปแบบของพุทธศาสนาและไอ้รูปแบบที่พระองค์ทรงวางไว้เนี่ยมีทั้งแบบแห่งการสอนแบบแห่งการเผยแพร่แบบแห่งการปฏิบัติแบบแห่งการใช้ชีวิตวางไว้ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในวันมาคบบูชานี่แหละมันดีตรงนี้ เพราะทรงวางวันมาค่าบูชาไวา้รูปแบบการศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงถูกกำหนดได้ง่ายในปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้ทำตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้พระเจ้า ว, ว่าขันติปรมังตะปูตีติคาความอดกลั้นคือความตนทานเป็นตะบะอย่างยิง่ง นิบบานังปรมังวะดันติบุตธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิง่งนะหิะบัจิตโตป ร, รูปคาตีสมณโดโหตีป ร, รังวิเหทยานโตผู้ฆ่าสาเืินเบียดเบียนสาเดินไม่ชื่อว่าบันปะจิตสมณะเลย สัพพะปัสสะอาการนังความไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูภสัมปดาความตามให้กุศลถึงพร้อมสัจจิตะปริโยดปนังความให้จิตของตนผ่องแผ้วเอตังบุตธานาสาสนังสามอย่างนี้เป็นกำรมชอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อนุปวัโดความไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตความไม่ล้างพลาญปฏติโบเคจะสังวโร ο, ความสำรวมในพระปาติโบกมัดตันยุตาจะพัตตสงความเป็นผู้รู้จักประมาณในพัตตาหารปันตัญจะสยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสหัต อาธิจิตเตจังอาโยโคความประกอบอวอเอื้อเพื่อในอาธิจิตเอตังพุทธานาสาสนันติหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายชนี้เนี่ยนี่เรื่องราวให้อยู่ในมาขบูชาถ้าไม่มีรูปแบบที่จัดแบบนี้เนี่ย การถืบทอดพระพุทธศาสนาอาจจะไม่เป็นแบบที่เราเห็นอยู่ทักวนี้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าสอนว่าขันติปรมังตโปตีดีข้าเห็นไหมการเรียนการฝึกฝนจิตการปฏิบัติตามคําสอนของพุทธศาสนาฝึกฝนกายใจฝึกงัดฝึกฝนรูปนามสร้างบารมีนี้ต้องใช้ขันติเป็นตัวหนะ้าเห็นยังเออ พรเดินเบิกเๆๆโอ้ยเมือ่อยนั่งไปตัง้งๆนาทีโอ้ปวดแล้วต้องใช้อะไระไม่มีขันติก็แตกพอขันติกว่าขันตินตปรมังตะโพตีที่ก้าขันติจะต้องใช้อดทนเขาไปอดทนไปเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นตาปะ เห็นไหมขันตีปรมังตโปตีติกา้าขันติความอดกลั้นคือความตนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งเมื่อเราอดทนบ่อยๆใช้ขันติบ่อยๆมันก็จะบ่มจนเกิดเป็นตะบะนี่ดีต่อใจเป็นประการหนึ่ง <c oughs> คําว่าตะบะนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะคอยแผดเผาอุปสรรคถ้าเรานั่งเนี่ยนั่งสมาธินั่งห้านาทีสิบนาทีปวดเราใช้ขันติทนปวดก็ทน มันก็ทะลุไปสิบห้านาทีใช่ไหมสิบห้านาทีโอ้ยมันปวดมากทนทนทะลุไปยี่สิบนาทีพอเกิดเป็นยี่สิบนาทีขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้มันปวดอยู่เราทนได้อยู่ตอนหลังเราไปนั่งอีกมันก็ทนสิบนาทีทนสิบห้านาทีมันสบายแล้วจนถึงยี่สิบนาทีทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นตะบะแล้วอข้าใจยัง ขันติที่เราอดทนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆก็จะสะสมเป็นตะบะให้กับเราแต่ถ้าพอปวดเมื่อยสิบนาทีเมื่อยทนไม่ไหวลุกหรือเปลี่ยนท่านั่งครั้งต่อไปเรานั่งก็ไม่เกินสิบนาทีไม่มีตะบะใช่ไหมตะบะมันจะคอยแผดเผาแผดเผาวความทุกข์แผดเผาอุปสรรคแผดเผาเรื่องราวต่างๆที่จะทําลายความเพียรของเราให้ได้นั่นเราต้องใช้ขันติให้มาก เพื่อให้มันสั่งสมเป็นตะบะนี่ด่านแรกที่จะต้องสร้างเพราะว่าบางสำ น, นักหลวงปู่หลวงพอ่อความกรรมฐานเนี่ยเขาจะไม่รับคนที่นั่งสมาธิได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอันแรกก่อนเลยนั่งสมาธิให้ได้หนึ่งชั่วโมงก่อนจะได้อารมณ์ไม่อารมณ์ได้นิมิตไม่นิมิตได้ภาวนาได้จิตเอตตกต า, ตาได้ความสงบหรือไม่ชั่งมันแต่นั่งนิ่งนิ่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงก่อนเพราะนั้นไอ้พวกที่เล่นกันบรรนันเล่นไพ่ต อ, องพวกนี้จะได้เปรียบ มันตอนนั้นถือว่านั่งก่อนนั่งพอนั่งปั๊บมันปวดไงมันปวดมันก็จะทะลุเราก็ทนอดทนอดท น, ท น, ท น, ทนคือว่าถามว่าไม่ได้อะไรมันได้ได้อะไรได้ขันติขันติแล้วได้อะไได้ต บ, บะนี่อันแรกเลยที่เราจะตัดที่ทุกคนจะต้องมี ประการที่สองนิพพานังปรามังพปันติพุท ธ, ธาท่านผรู้กล่าวพระนิพพานว่าเป็นบทลมมาธรรมเราจะต้องสร้างเป้าหมายมองให้เห็นถึงเป้าหมายของชีวิตชีวิตหมายความว่าเป็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของเราน ะ, ะเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดหมายความว่าชาตินี้เราเกิดมาเนี่ยเรารู้เดียงรู้ความแล้วรู้จักแล้วและเราก็รู้แน่ๆว่าเราจะต้องตาย และทุกภพทุกชาติเราเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายเราก็ไม่แตกกลางไปจากความเป็นอย่างนี้หรอกคือนทุดท้ายมันก็ต้องเกิดขึ้นก็เกิดเมื่อมีเกิดขึ้นปรากฏก็มีความตั้งอยู่ในขณะที่ตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนปรากฏและสุดท้ายก็แตกสลายดับไปทุกภพทุกชาติมันก็เป็นแบบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นต่อใจของเราทุกภพทุกชาติคือความทุกข์เห็นไหม ทุกทุกทุกทุกเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีเป้าหมายพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานังปรามังวดันติพุท ธ, ธาท่านพระรู้กล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมสุขจิตจะต้องมองให้เห็นถึงบรมสุขที่ชื่อว่าพระนิพพานคือสภาพที่จิตพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงและมันก็จะเป็นบรมสุขได้นั่นคือเป้าหมายชีวิตที่เราจะต้องตั้งมันไว้และการฝึกฝนกายใจของเราก็อยู่ในเส้นทางนี้ ถาบรมมาสุขเปรียบเป็นเชียงใหม่เราก็ตีตัวรถไฟขึ้นที่หัวลำโพงแล้วก็อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในรถไฟขบวนนั้นแหละมันอาจจะไปถึงตอนนี้วันนี้มันจะวิ่งไปถึงสระบุรีแต่อย่างน้อยน้อยมันก็ออกเดินทางแล้วเออต่อไปมันอาจจะไปถึงโคราชเออคุยขุดนละถางไว้ผิดทางแล้ต่อไปมันอาจจะไปทางอุตรดิตตเอออ่าก็แม้มันยังไม่ถึงเชียงใหม่แต่มันก็ ไกลกันไปแล้วต่อไปมันอาจจะไปถึงเถวแถวถืนใก้ใกล้ถืนแถวโน้นแล้วได้นลําปางเออมันก็ไกลกันไปเรื่อยเรื่อยเเรื erm ่อยสุดท้ายมันก็ถึงเชียงใหม่เราก็ลงจากรถไฟเรียกว่าเราถึงเชียงใหม่แล้วอมันอาจจะใช้เวลานานไม่เป็นไรเวลานานไม่เตีวเป้าหมายเราจะต้องมี เหมือนคนที่จมผุดดำว่ายอยู่ในหลุมแห่งบ่อโคลนเป้าหมายมันจะต้องคือขึ้นจากบ่อโคลนใช่ไหมหรือคนที่ว่ายอยู่ในมหาสาครมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลว่ายว่ายหยุดว่ายก็จมใช่ไหมมันมันต้องว่ายนีเป้าหมายต้องมีคืออะไรเป้าหมายก็คือพ้นขึ้นฝั่งขึ้นสู่ฝั่งแล้วก็จะได้เดินอย่างอิสระเสรี นั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นถึงความทุกในการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะทำให้จิตนั้นมองไปหาความพ้นทุกข์ที่ชื่อว่าปลิพานเพราะฉะนั้นการทำในใจพิจารณาให้เห็นเป้าหมายคือผลิพานเป็นอารมณ์ไว้ในใจเนี่ยจะต้องมีไว้มีไว้จากนั้นมาตรัสว่าอะไรอะ หนะหีปปัจิโตบรูกาติสมรดโหติปังวิเหสยานโตในพุทธบริษัทการที่จะทรงพระาศาสนานิไว้คำสอนอ่านประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรูนี้มันจะสร้างร่วมมือประสานกันโดยมีพระเป็นตัวตั้งใั้พระจะเป็นผู้ที่ร่วมมือประสานกับทุกฝ่ายได้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษคนป ร, รู้สึกนึกถึงพระแล้วก็ จะต้องเข้าใจภาพที่มันเป็นลักษณะพิเศษนี้เป็นปกตินะฮิปปาชิโตปรูปคาติปปะโจติวิเฮตยาโตหมายความว่าผู้ฆ่าสัตว์อื่นเป็นพิเศษไม่ชื่อว่าบรรปะชิตและสมณะในพระาศาสนานี้เพราะสมณะในาศาสนาของพระพุทธเจ้าจะต้องมีความไม่เบียดเบียนเป็นเครื่องหมายฉนั้น ใครก็ตามที่พอนึกถึงพระเข้าใกล้พระแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมีที่พึ่งความรู้สึกนี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายไอ้สารความชัดเจนท่าทีของพระจะต้องเว้นขาดจากการเบียดเบียนทุกกรณีเอเว้นขาดจากการเบียดเบียนทุกกรณีใครมาอยู่ใกล้ๆมันก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งนี่เป้าหมายอย่างนี้มันจึงจะทําให้คําว่า พุทธศาสตร์เนี่ยมันมันดำเนินไปด้วยแรงประสานจากทุกๆกฝ่ายได้พระเจ้ามองการไกลปอะเดี๋ยวนี้เราเป็นไงอ่ะนึกถึงพระแล้วเหเห็นพระแล้ววิ่งฮะป้อหน้ากระติ น, น้าป้าปาพระเดินกลับไปหนีเออ พระภาพกับพระไม่ชัดเจนใช่ไมแต่พระเจ้าบอกว่าต้องชัดเจนต้องเว้นขาดจากการเบียดเบียนทุกกรณีจากนั้นจัดว่าอะไรอ่ะอุบาวดโดอณุบคาโตปาติโบเคจะสรงวโรนอกจากการเบียดเบียนทุกกรณีแล้วอนุบาวาโดจะต้องไม่กล่าวร้ายกันเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ย มันมีลัทธิมีศาสนาเยอะมากอิเดียนี่ศาสนาเยอะเยอะจริงจริงแล้วมีการปฏิบัติผิดแปลกแวกแนวเยอะพระเจ้าบอกว่าในพุทธศาสนานี้ต้องหดเว้นจากอนุปวารุต้องไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตและต้องไม่จองล้างจองหลานไม่กล่าวร้ายคือไม่กล่าวร้ายว่าลัทธิไหนศาสนาไหนเขาเป็นอย่างนั้น น, นก็ไม่กล่าวร้ายชัด เจนแน่วแน่อยู่กับการปฏิบัติอันชอบธรรมของตนเองไว้ชัดเจนแน่วแน่อยู่กับการปฏิบัติของตนไว้นั่นแหละจึงจะเป็นทางรอดของพุทธศาสนาถ้าพอเขาด่าเรามาเราไปด่าเขาไปเขาจองล้างเรามาเราก็จองล้างของจองผลานเขาไปเนี่ยการจ้องกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางรอดของพุทธศาสนาพุทธศาสนาพระเจ้าจึงในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย โอ้ยหนักกว่านี้เยอะไปไหนออกจากวัดนี่ต้องต้องระวังโอ้ยลบากเยอะทําไมก่อนนะพระพุทธเจ้าลำบากว่าเราเยอะมากเรายังมีกล้องวงจรปิดใช่ไหม <c oughs> มีกุศลติคัดมีโอ้เยอะแยะมากมายทาไมพระเจ้าไม่มีอะไรเลยนะต้องใช้ความรอบครอบระมัดระวังอย่างหนักขนาดพระสารีบุตรจะออกไปบิณฑบาตเนี่ย เดินไปด้วยปิดวัดล็อกอ่องปิดประตูเรียบร้อยเสร็จไปเสร็จเดินอยากจะกลับมานั่งสมาธิที่วัดเนี่ยพระสารีบุตรต้องไม่ให้ไปที่อื่นนะต้องไปที่กุฏิของพระสารีบุตรนะเพราะกุฏิพระสารีบุตรมันล็อกได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในกลับมาแล้ววิ่งเข้าห้องแล้วก็ล็อกไว้แล้วไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องห้ามออกมาข้างนอกนะมันอันตรายถึงขนาดนั้นนะวัดให ญ, ใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันสมัยโน้นมันเยอะมากแต่พระพุทธเจ้าบอก ห้ามนะอนุบวาดูไม่กล่าวร้ายอนุบกาโตไม่จองผานและปาติโบเคจะสร้างวรณแน่วแน่แน่วแน่ดํารงตนระมัดรวงอยู่ในพระปาฏิโบกสร้างบรสินเนี่ยของพระของศาสนาเราพระรเจ้ายกพระขึ้นมาให้ภาพมันชัดเจนว่าพระเนี่ยว้นขาดจากการเบียดเบียนทุกกรณีไม่มีการกล่าวร้ายไม่มีการจองวางจองผาน และก็แน่วแน่อยู่กับการที่รักษาพระโอพระปฏิบุกสังหัวรศีนไว้มันจะเป็นทางออกและจะทาให้ศาสนานี้มั่นคงอ่ะเราก็ดูเราก็ดูหลงปูแบนอยู่นุ่นสกลนุ่นเห็นไหมท่านละสังขาโอยคนไปกันตัวที่สล้ ว, สวันเผาอ่ะมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นนนั้นนะ่ะ หลวงปู่ทั้งหลายแลหลวงพ่อทั้งหลายแล่ทีต่ตั้งปฏิบัติตนดำรงตนอยู่พะมันดำรงอยู่ตามโอวัประตะโบกนี้มันจะประสานทุกอย่างเหมือนกับสนามพลังที่คอยดึงดูดแรงศรัทธาต่างๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวปฏิโบกี้จังวโรต่อไปพระพุทธเจ้าว่ามันจะต้องมีอีกมัดตันยุตาเจปาสมิงมีเรารู้จักประมาณในพระตังหารรวมถึงการใช้การสอยด้วยับพระ มัวมุ่งมั่นอยู่ในเงการสร้างห อ, อคอยนี่ไม่มั่ตั้นยุตตาเลยนะปันตันจะเสยนาชนงรู้ที่นอนที่นั่งอันสังหัดคือให้มันกินน้อยอยู่น้อยใช้น้อยไว้พระคนก็จะได้ไม่ลําบากหลังจากนั้นอาธิจิตเจจาโยโคพระเจ้าว่าให้มันประกอบต่อเนื่องความเพียรในการในทางจิตอย่างต่อเนื่องไม่ให้หยุดหย่อนทั้งหกประการนี้ เป็นหลักการที่เป็นหลักการวงบอกถึงวิถีชีวิตของพระชัดเจนอย่างนี้ได้รับรองพระเจ้ากลารับรองว่าพุทธศาสนาจะเรือนรูเรืองแน่เดี๋ยวนี้ใครกล้าพูดเรื่องนิพพานไม่ค่อยมีแล้วพูดกันไม่ค่อยได้มันเหมือนพระนิพพานนี่มันอยู่ไกลเหลือเกินแต่ใจจริงมนิพพานอยู่ที่ไหนฮ ะ, ะนิพพานอยู่ที่ไหนอ่ะพระนิพพานมันอยู่ที่จิต เราจิตมีใครมีจฉพาะพระพุทธเจ้าอ่ะมีแต่พระพุทธเจ้าเหรอจิตอ่ะมันก็มีทุกชีวิตอ่ะจิตหนึ่งคนก็หนึ่งจิตพระนิพพานเขาอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกให้มีเป้าหมายคือพระนิพพานไว้แต่คนที่จะมีพระนิพพาน เ, นเป็นเป้าหมายมันจะต้องเห็นทุกของการเวียนว่ายตายเกิดในทั้งสารวัตร พอเทุกเสร็จแล้วมันกำหนดเป้าหมายชัดเจนศรัทธามันก็มาวิทยะมันก็มาสติมันก็มาสมาธิมันก็มาอินทรีย์ทั้งหลายกำลังทั้งหลายก็จะไหลถาโถมเข้ามาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังของเรามองทีนี้ในมาคาบูชาดีนอกอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรกัรฮะ <laughs> นี่แหะการรู้อย่างนี้แหละมันเป็นการดีต่อใจเขาจึงใช้หลักการมาคบบูชานี้เป็นวันเป็นอภิลกักษิตรกาลเป็นมหามงคลสมัยประกอบพิธีทําบุญพิเศษมีการไหว้พระจวดมนต์ควงังธรรมเวียนเทียนโดยเวียนเทียนเนี่ยก็ทํา <c oughs> ทักทินาวัดเดินระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์สามรอบ ที่วัดเราก็จัดเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มก็ทำวัดเย็นจเจริญพระพุทธรูปถวัธรรมจักรกประวัตนาสูตรแล้วก็ควังเทศเทศเสร็จแล้วก็เวียนเทียนก็เชิญชวนพวกเราว่าถ้าใครว่างลองที่ไปถือศีลนุโบโสดถาวายเป็นพุทธบูชาสักคืนหนึ่งบุบศีลนุโบโสดมันถือวันหนึ่งคืนหนึ่งนะตั้งแต่เช้าของวันที่แปด ออกเช้าวันที่เก้าพอวันที่เก้าก็เปลี่ยนชุดกลับแต่ศรีนุโมถอดเวลาถือมันต้องอยู่ที่วัดนะมึองอยู่ที่วันนะก็มีห้องให้พักใครจะอยู่ในสัตชิก็อยู่แต่ระว่งไม่นอนก็ น, นิมนต์ย่ามีห้องพักให้เช้า ว, วันที่แปดออกเช้า ว, วันที่เก้า รักษาอุโบสถศีลไออยู่ยังไงอยู่ด้วยมีอุโบสถเป็นเครื่องเลี้ยงใจอุโบสถศีลนะเป็นเครื่องเลี้ยงใจอุโบสถศีลมันต่างจากศีลแปดตรงไหนอ่ารู้ไหมเอออุโบสถศีลต่างจากศีลแปดตรงที่หนึ่งมือทานมือเดียวแล้วก็ถือเป็นเป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืน สีนุโบสถเป็นศีลประจําธรรมชาติของพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีเพราะฉะนั้นถ้าใครประสงค์ที่จะปฏิบัติเป็นพิเศษไปถือศีนุโบสถที่วัดก็ได้แล้วอันนี้สงเยอะน ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉีนํามาดูโบสดศีนถือเต็มเต็มเนี่ยได้ทั้งวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเนี่ยถ้าตายในขณะที่อยู่ในอุโบสถศีนนะ ทำไมยังไม่อยากตายถ้าตายอยู่ในอุโบสถศีลนั้นนะตายอยู่ในอุโบสถศีลอย่างน้อยๆก็ไปฉันเดาวดึงถ้าถือได้เต็มทั้งวันเลยนะสิ้นวันหนึ่งก็คืนหนึ่งนี่โอ้โหรัศมีของกายทิพนั้นจะสว่างเจิดจ้า เดินไปไหนนี่เทวดาเนี่ยจะกระเด้งหนีหายออกไปหมดนะเพราะว่าเทวดาเขาจะวัดรัศมีคว า, ามอํานาจตรงที่รัศมีไถ้าใครรัศมีมากกว่าไอคนที่รัศมีน้อยเนี่ยจะเด้งออกไปเด้งออกไปเด้งออกไปเด้งออกไปรักษาอุโบสถศีลได้เต็มวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างบริสุทธิ์ผุดพองแล้วก็ตรวจองค์ของอุโบสถของตนตลอ ด, ดระยะเวลาแล้วคือตายไปเนี่ยจะเนี่ยจะมีรัศมีจะระวังเจอจ้า อาทิตวันหนึ่งรักษาแค่ครึง่งครึ่งเดียวก็ยังสามารถได้อานิสงส์มากมายครึ่งเดียวนะอืรักษาได้แค่ครึ่งเดียวเช่นว่าเขาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่ยเรารักษาได้ได้คื น, นกลางวันไม่ได้รักษาหรือมันรักษาได้แค่กลางคืนอย่างอ น, นาตบินทิสาติถีที่บ้านแกเนี่ยมีโรงอุโบสถพอถึงวันอุโบสถเนี่ยวันพระเนี่ย เขาจะไปรวมกันในนั้นหมดเด็กที่กินนมแม่วันนั้น่ะแม่ล้างหัวนมเลยแล้วก็ดูดน้าผึ้งแทนไม่กินทุกคนจะเป็นยังงั้นหมดเลยในบ้านของอนาตาบินติกาเศรษฐีมีกี่ชีวิตก็ตามแต่วันนั้นรับกรรมกรคนหนึ่งคเป็นชายตัดฟืนเข้าไปหาของป่าเช้ามันก็ไปทำงานเลยพอตกเย็นกลับมาถึงมันหิวอ่ะ มันก็ต้องกินข้าวแต่วันนั้นเป็นวันอุโบสถในโรงในโรงอาหารนั้นเงียบไม่มีใครเคลื่อนไหวแต่อนาตาบินธิกาเทพธีได้สั่งพ่อครัวว่าให้เตรียมอาหารไว้สําหรับไอกรรมกรที่มาใหมา่อกรรมกรคนนี้เห็นไม่มีใครมากินเลมันหิวก็หิวแต่มันยังไม่ได้กินน่ะมันก็ถามว่าทุกคนเป็นไหนกันหมดก็บอกว่าวันนี้วันอุโบสถเขาไปโรงอุโบสถแล้วก็พูดจาแบบรังเกียจ ด, ด้วยนะเพราะคนที่ถืออุโบสถสิ่แล้วไม่อยากจะไปแตะอาหารข้าวหวานใดๆ ไม่อยากจะไปแตะให้มันแปลกเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้ไอกรมกรมันก็วิ่งเข้าไปหามานาธาบิจิกาเศรษฐีถามว่าท่านผมเนี่ยให้ถามว่าอุโบสถศีลคืออะไรเศรษฐีก็บอกอุโบสถศีลก็คือศีลที่จะนําบุญให้เกิดขึ้นอย่างมากมายแก่ผู้ที่รักษาเป็นอนิสงส์เป็นผลบุญที่เกิดมากมายแก่ผู้ที่รักษาถ้ามันมีอะไรงไงมั่ง เศรษฐีก็อบอกนี่ต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก็รักษาสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่ท่านรักษาไปวันหนึ่งแล้วด้วยคืนหนึ่งและผมนี่รักษาได้ไหมอ่าอยากจะรักษาแล้วสิทีเนี้ยเพิ่งจะสมาทานเตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะเศรษฐีว่ารักษาได้แต่ได้แค่ครึ่งเดียวได้ครึ่งหนึ่งก็เอาวะก็รักษาไม่ทานอาหารไม่ทานอาหารรักษาเอาโบสดพอเข้าไปถึงขณะ น, นั้นขณะที่กําลังรักษาอยู่ ผ่านไปเข้าสู่ปัจชิมยามปฐมยามปัจิมยามปัจจิมยามปฐมยามคือหัวข้ามมัจชิมยามคือเที่ยงคืนปัจชิมยามคือหัวรุ่งพอถึงว่ามัจจิมยามเสียงมันอยห้องโรงบสถมันจะเงียบมาทุกคนนั่งสมาธิกันี้ เสียงม่ต้องปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบทองของไอ้นั้นมันร้องไงมันหิวมันไม่ได้กินทั้งวันมันหิวพอมันหิวเสร็จแล้วก็สิทธิก็สั่งคนบอกเอาเพสัตชคือน้ำพึ่งนะนะเป็นเภสัชมาให้ไอ้คนเนี้ยมันกินหน่อยเพราะว่ามันท้องมันร้องแล้วมันมีความไม่สบายแล้วเอาเพสัชมันกินได้นี่ ไอ้นี่มันถามว่าอาอท่านกินได้หรอได้นี่เป็นเภษัชแล้วทำไมท่านไม่กินอ่ะบอก็เราไม่ได้ป่วยนี่เราจะกินทําไมเล่าแต่จเจ้ามันป่ยวยเจ้ากินก็นไปเถอะไอ้นี่ผมบอกว่ถือก็ได้แค่ครึ่งเดียวถ้าจะไปครึ่งนี้มันจะไปแปะเปื้อนด้วยน้ําพึ่งนี่ได้ไม่เอาก็เอาผ้าคาดน่ะถึงผูกกับท้องแล้วผูกรัด แ ม, แมเ่ท้องเข้าไปนะแล้วก็ผูกราดแล้วมันตึงๆเพื่อไม่ให้มันมีความหิวปรากอดและไม่ให้ท้องมันร้องนีนี่เศรษฐีก็บอกเฮ้ยทําอย่างนั้นมันไม่ถูกนะมันทําให้ตัวเองลําบากเกินไปทานเถอะบอกไม่เอาของผมเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวแล้วของท่านได้เต็มเต็มผมเหลือครึ่งเดียวแล้วจะทําให้มันเปเพื่อนเนีย่ยไม่เอาหรอกมันก็ปูไว้ยเงินนะพอ ร, รุ่งเช้าออกอุโบสถแกก็ตาย ไอ้คนเนี้ยตายเสร็จที่ที่ทททป่าหิมะพันมีรูสีอยู่ห้าร้อยเดินทางลงมาผ่านป่านะั้นไอ้นี่ตายได้มันไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ในปา่าเป็นลูกเทวดาเป็นบริวารของจาตุมมหาราชิกนี่แหละแต่เป็นลูกเทวดาโอ้ยสมบัติบริสมบัติของแกมันเยอะรัศมีก็เรืองรองแลยนะ แต่ว่ามันไม่มีใครรู้มันมีคนรู้คือมารีลูสีห้าตนอยู่ในป่าเดินทางออกมาผ่านตรงนี้เห็นต้นไม้แต่ไมัยก่อนนะ่ะก็เหมือนกับคนบ้านเราเดี๋ยวนี้แหละเดินไปถึงไหนเห็นป่ารกงุงําต้นไม้ใหญ่ๆก็นึกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางไงวะวันนี้ก็อดไม่ได้กับการที่จะยกมือยิ่งแต่ใครเอาผ้าไปผูกไว้เหลืองๆ ห, หน่อยแนละ้วอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นแต่ยกมือไม่พอนะขูด ๆ, ๆด้วยเหมือนกัน สมัยโน้นก็นเหมือนกันในฤาษีเดินผ่านมาเห็นต้นไม้ใหญ่คิดว่าไอ้ต้นไม้นี้ถ้าจะมีเทวดาสิงอยู่ก็เลืนึกอธิษฐานถ้าเทวดานี้มีจริงขอให้พวกพวกเราตอนนี้เดินทางมาห้าร้อยคนนี่ลาบากเหลือเกินไม่มีแหล่งน้ําถ้าเทวดานี้มีจริงรู้ความคิดของเราแล้วขอให้มีแหล่งน้ําเกิดขึ้นด้วยเถิดแล้วมีสาบน้ําเกิดขึ้นอยู่กลางๆต้นไม้นั้นไอ้พวกฤาษีก็ว่าหัวนาฤาษีว่าเออตรงนี้มีเทวดาอยู่จริงเว้ยเดีวก็นึกอีกถ้าเทวดานี้มีจริงรู้ความคิดของเราจริง ขอให้แสดงตนเราได้เห็นเทวดานี้ด้วยเถิดแล้วก็มันก็มีแสงเรืองรองลงมาจากปลายของต้นไม้ใหญ่นั่นนะไอ้พวกเทวดาไอ้พวกฤาษีทั้งหมดพอเห็นเข้าบอกว่าโอ้เทวดานี่รักสมบัติทิพย์เยอะเว้ยสงสัยถามว่าท่านทําความดีด้วยอะไรมาเนี่ยเขบอกไม่ได้ทําอะไรเตรียมนิดเดียวรักษาโบสถ์สินครึ่งเดียวเอ้รักษาที่ไหนรักษาที่บ้านนันทวิติีกาเศรษฐีมนาจะมันนีกาเศรษฐีเป็นใครอะ ก็เป็นลูกศิษย์ของพระสมณะโกดมพระธมมาสัมพุทธเจ้าไงฮ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเลยใช่ใช่ใ ช, ใช่พุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเทวดาบอกแค่นั้นนะ่ะไอ้ดูถีทั้งหนะ้าร้อยน่ะเก็บข้าวเก็บของมุ่งหน้ า, าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วรออยู่นานแล้วแต่ก็ ไปถึงก็ไปเจอก็นึกว่าเออได้มีพันธสัญญากันกับรือกับเศรษฐีคือโคศกาศเศรษฐีอย่างโกสัมพีว่าพวกนั้นเขจะเป็นทำหน้าที่คอยอุปถัมภ์ตรงไก็ไปหาเศรษฐีบอกเศรษฐีว่าข้าพเจ้าไม่สามารถอยู่กับท่านได้แล้วต้องไปหาพระพุทธเจ้าไอ้โคศกาศเศรษฐีได้ยินว่าพระพุทธเจ้าก็จัดเกวียนหน้าร้อยเด่มเดินตามของพวกฤๅษีไปด้วยไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าอก็เทศ ฤาษีท้งานนี้ก็ห้าร้อยนี่ก็บวชเป็นพระหมดทำเ็จเป็นพระงานส่วนโคศกาเทศษีที่ตามไปก็ได้เป็นพระโสดาบันกลับมาก็สร้างวัดวัดหนึ่งชื่อโคศิตรามปรากฏอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยการรักษาอุโบสถครึ่งเดียวใหญ่ไ้มล่ะเท้าไมเกิดถึงต่างๆเยอะแยะมากมายอุโบสถเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างนะอุโบสถเนี่ยเยอะ ในวันในวันมาคะบูชาที่วัดเมื่อก่อนเนี่ยสมัยมามาอยู่ใหม่ๆสมัยนั้นหลวงพ่ออาคมพระธรรมรัตนดีหลกอยู่จะมีคนมาถือศีลแล้วเขาก็อยู่กันค้างคืนนะพอตกเช้าออกจากออกจากเอ่อถือศีลเสร็จเขาก็กินข้าวต้มกันเลี้ยงกันเชื่อไหมว่ารุ่นนั้น่ะ ตายหมดแล้วตายหมดเลยแล้วไม่มีรุ่นใหม่มาแทนเพราะรุ่นนั้นไม่มีสาม G ไม่มีสอง G ไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยก็อยู่กันโดยง่า ย, ายสบา ย, บายมีความสุขแต่พอมารุ่นนี้รุ่นรุ่นสาม G รุ่นรุ่นมือถือรุ่นรุ่นเนี้ยคนมันรู้สึกว่ามันไม่ว่างอะสมัยก่อนมันว่างไง สมัยนี้มันไม่ว่างเลยมันมี p าระเยอะมากคนรุ่นใหม่ไม่มีใครไม่มีใครเข้ามาแล้วลดลงทุกวัดนะหันไปเป็นวันอาทิตย์แทนกันทุกมากก็จะหันไปเป็นวันาทิตย์หลายที่ก็จัดเป็นวันาทิตย์เนี่นใครว่างวันมาข้าบูชาก็เชิญลองท้าทายดูดิปฏิบัติใช้ขันตี ขันติสร้างต บ, บะเป้าหมายคือพระนิพพานทังสมฝึกฝนเอาเป็นบา ร, รมีอยู่น้อยกินน้อยทานอาหารมือเดียวแล้วก็สำรวมจิตตรวจ ด, ดูองคอุโบถสศสีลของตนตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่พยายามว่างจากการนั่งสมาธิว่างจากการเดินจงกรมก็มานั่งตรวจ ด, ดูว่าเรามีความปฏิกะหุดหงิดไหมมีพยาบาทไหม เ อ, อมีความโกรธขุ่นเคืองไหมนึกถึงเรื่องอดีตแล้วมันโกรธใครหรือเปล่านึกถึงเรื่องอนาคตแล้วมันโกรธใครไหมตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงดูสิถ้ามันมีอย่างนั้นอยู่แสดงว่าศียงข้อที่หนึ่งมีความบกพร่องก็ตั้งหน้าตั้งตาวิรัตทันทีแป่เบตตาให้กับคนที่เราเกลียดอะไรอย่งเงี้ยปฏิบัติก็เรียกว่าดูแลองอูโบสดของตอนเองให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ คือว่าถ้าตายในเวลานั้นก็ไม่ขาดทุนและถ้ารอดตายมาได้ออกจากนั้นมาจิตก็ได้รับการฝึกฝนได้ขัดเกลาอย่างแรงด้วยการตรวจด้วยศีลด้วยอุโบสถศีนะ่ะ อ, อันนี้เรียก ว, ว่าเทศกาลมาคบบูชาแลาทไมเขาตึงพูดว่ามาคบบูชาเป็นเทศกาลแห่งคารักของพุทธศาสนาเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้น่ะ เป็นความบรมเป็นบรลมเป็นหลักการของความสุขแก่มนุษยชาติใช่ไหมการให้ความสุขที่แท้จริงนั้นมันคือความรักที่แท้จริงใช่ปะะ่าล่ะคว่าความรักเป็นความรู้สึกที่ปรารถนาให้บุคคลที่รักและผู้ที่ถูกรารักนั้นมีความสุข การให้ความสุขจึงเป็นเรื่องราวของความรักพระพุทธเจ้าให้เบอร์รมัตสุขให้ความสุขที่เป็นอมตะการให้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการให้สุดยอดของความรักเราก็เลยเป็นวันความรักอีกอันหนึง่งใกล้เคียงกับเทศกาลของเขาคือพูดให้มันเข้ากับวันไหนมันก็เ ข, ข้าได้หมดทุกวันน่ะ <laughs> อันนี้เรียกว่ามาฆบูชา ก็จัดเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้อ่ะต่อไปนี้เหลือเวลาไม่กี่นาทีกล้จะหมดเวลาแล้วเอาจิตที่รู้จากการเคลื่อนไหวของเท้ามาสู่การเคลื่อนไหวของลมหายใจก็จัดลำดับไปตามปกตินะ นั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าจิตที่มันไปคิดไปเกาะไปเกี่ยวอยู่เรื่องอื่นๆนั้น ลอยวางไปให้หมดดึงกลับมาอยู่เฉพาะหน้าอยู่กับรูปกับนามนี้เท่านั้นและน้อมจิตเข้าไปสู่ช่องจมูกหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมา ช, าชา้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ข้าวรู้ลมหายใจนิ่งๆไม่ต้องวิ่งออกไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องกังวลลมในขณะที่ลมในไหลออกก็ไม่ต้องกังวลว่าลมที่ออกนั้นจะไปไหนขณะที่ลมนอกไหลเข้าก็ไม่ต้องกังวลว่าลมที่เข้านั้นไปสุดอยู่ที่ใดข้าวรู้ดูนิ่งๆอยู่อย่างนั้น เมื่อความรู้ดูนิ่งๆอยู่อย่างนั้นได้แล้วจิตรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าได้แล้วก็ตกแต่งลมหายใจของเราด้วยการกําหนดลมหายใจให้ยาวแต่กลางๆนะเบาๆสบายๆให้ลมออกก็ยาวให้มันสุดลมเข้าก็ยาวให้มันสุด แต่ไม่เลยจนถึงขนาดที่จะทำให้ตัวเองเกิดทรมานเกิดความกัดอัดอันยาวแต่พอดีออกยาวแต่พอดีเข้ายาวแต่พอดีลมก็กลางๆเบาๆสบายโดยจิตจ้องดูรู้อยู่นิ่งๆตรงที่จิตสามารถรู้สึกได้ อย่าไปสงสัยว่านี่คือการกําหนดไหมไม่ต้องไปสงสัยใดใดทั้งสิ้นถ้าสงสัยก็รู้ว่าความสงสัยมันเกิดขึ้นอีกแล้วความสงสัยมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเราก็ปล่อยความสงสัยนั้นไปยกจิตกลับมารู้ลมหายใจ กำลมหายใจออกยาวๆลมหายใจเข้ายาวๆแล้วจิตเข้ารู้นิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจที่เข้าออกยาวๆนั้นเมื่อรู้ลมยาวได้แล้วต่อไปก็ปรับลมให้มันเหลือเป็นลมปกติสบายๆลมออกเป็นธรรมชาติ จิตทำหน้าที่แข็งเพียงแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นต่อความไหลของลมหายใจออกลมไหลไอลมหายใจเข้าขอให้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นว่าลมหายใจไหลออกว่าลมหายใจไหลเข้าพอจิตที่ยังระลึกนั้นมีกำลังพอสมควรลงกาหนดลมที่ไหลออกให้สั้นลง ลมหายใจเข้าให้สั้นลงไม่ต้องกลัวว่านี่เป็นการกำหนดหรือไม่เพราะว่าจิตที่อย่างระลึกนั้นมันมีลมหายใจเป็นเครื่องถูกรู้แล้วแม้เรามีการกำหนดลมให้สั้นมันการกำหนดก็จะมีกำลังน้อยกว่าจิตที่อย่างระลึกจิตรู้จะมีกำลังที่มากกว่าการกำหนดทำลมหายใจออกให้สั้นลงทำลมหายใจเข้าให้สั้นลง แล้วก็ทำลมหายใจให้ปกติแล้วก็ทำการศึกษาคือเอาใจที่อย่างระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้านี้มุ่งเน้นเข้าไปเพื่อจดจอ่อดูลมหายใจที่ไหลออกเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดของลมหายใจดูเนื้อลมหายใจที่ไหลออกดูเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าไม่ต้องรีบร้อนโดยอาการอย่างระลึกนั่นแหละที่จดจ่อจ้องดูอย่างพิเศษเน้นลงไปที่ลมหายใจเมื่อ ล, ลมหายใจเข้าสุดใจก็คอยจดจ่อจ้องดูลมหายใจที่กําลังไหลออกว่าลมหายใจที่ไหลออกเป็นอย่างไร ก็ศึกษาดูรายละเอียดดูเนื้อลมหายใจว่าลมหายใจที่ไหลออกนั้นต้นลมเป็นอย่างไรมีความแรงความหนักความเบากลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรสุดลมเป็นอย่างไร <Rosen ís jeu> เรียกว่าดูเนื้อลมหายใจเพื่อทำการศึกษากองลมทั้งหมดที่ไหลออกเพื่อทำการศึกษากองลมทั้งหมดที่ไหลเข้า ประกองลมทั้งหมดที่ไหลออกเป็นอย่างไรกองลมทั้งหมดที่ไหลเข้าเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมจะช้ามุ่งเน้นทั้งเรื่องการศึกษากองลมทั้งหมดว่าลมที่ไหลเข้ า, ป า, าเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจลมที่ไหลออกเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดสคคมลมหายใจศึกษากองลมทั้งหมด พอจิตศึกษากองลมทั้งหมดที่ไหลออกศึกษากองลมทั้งหมดที่ไหลเข้าจิตก็จะรู้จังหวะที่ลมมันหยุดพอจิตศึกษาลมหายกองลมที่ไหลออกเมื่อลมหายใจไหลออกสุดมันเกิดภาวะลมที่หยุดลงลมหยุดระยะหนึ่งก็คือภาวะที่ลมไม่ได้เคลื่อนเข้าเคลื่อนออก อาการอย่างระลึกคือจิตก็จะไปรู้สึกต่อลมที่หยุดภาวะที่มีการหยุดมันทรงตัวเป็นความนิ่งในระหว่างที่ไม่มีลมหายใจเคลื่อนเราก็รู้ตรงนั้นรู้ภาวะที่ลมหายใจมันนิ่งภาวะที่ไม่มีลมหายใจเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าทุกอย่างมันหยุดมันนิ่งอยู่ตรงนั้น ก็รู้อยู่ตรงนั้นในฐานะที่มันเป็นความนิ่งไม่มีการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกของลมหายใจเมื่อรู้ความนิ่งตรงนั้นแล้วหายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าก่อนที่ลมหายใจจ ะ, ะไหลออกมามันก็เกิดภาวะความนิ่งอีกพราะลมหายใจมันหยุดเราก็รู้ความนิ่งของลมหายความหยุดนิ่งตรงนั้น จะภาวะที่มันนิ่งที่มันโอบตัวเข้ามาโอบภาวะตรงนั้นเข้ามาสู่จุดที่นิ่งอยู่นั้นนิ่งอย่างไรนิ่งคือไม่มีลมหายใจเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าพอรู้ว่ามีความนิ่งปรากฏก็อยู่กับความนิ่งนั้นความนิ่งก็จะเป็นถูกสิ่งที่ถูกรู้ของจิตพอรู้ชัดแล้วในความนิ่งนั้น ก็หายใจออกรู้ชัดความนิ่งก็หายใจเข้าบางครั้งความนิ่งอาจจะนานหรืออาจจะมีเวลานานมีเวลาน้อยก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเราผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนี้อีกส่วนหนึ่งมีการกำหนดเข้าไปประกอบด้วยมีการยื้อระยะความหยุดของลมหายใจด้วยทาให ภาวะของความนิ่งปรากฏจิตอย่างระลึกรู้ความนิ่งนั้นแล้วก็หายใจเข้าจิตอย่างระลึกรู้ความนิ่งนั้นแล้วก็หายใจออก อย่าไหลลงไปในความนิ่งแค่รู้ว่ามีความนิ่งพอลมหายใจมาก็ไปกับลมอยู่กับลมหายใจพอความนิ่งเกิดก็อยู่กับความนิ่งลมหายใจมาก็อยู่กับลมหายใจสลับกันไปอย่างนี้ความนิ่งที่จิตอยู่รู้เห็นอยู่ก็จะปรากฏชัดมากขึ้นแต่เราไม่ไหลลึกลงไปสู่ความนิ่งนั้นแค่รู้แค่ดูแค่เห็นความปรากฏของความนิ่งมันจะใสมันจะสว่าง หรือมันจะมืดมันจะทึบมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเราแค่รู้แค่ดูแค่เห็นอยู่กับความนิ่งนั้นไม่บังคับจิตให้ไหลลึกลงไปกับความนิ่งมากเกินไปพอจิตอยู่กับลมหายใจได้พอลมหายใจมาจิตมาหายใจเข้าวความนิ่งก็หายไป ปอลมหายใจหยุดเคลื่อนความนิ่งก็ปรากฏปรลมหายใจมาความนิ่งก็หายไปปอลมหายใจหยุดเคลื่อนไหวความนิ่งก็ปรากฏจิตไปทำการดูรู้ความนิ่งนั้นแล้วก็เกาะลมหายใจไว้ทำการดูรู้ความนิ่งนั้นแล้วก็เกาะลมหายใจไว้ความนิ่งก็จะปรากฏขยายตัวยืดระยะออกไปนานขึ้นมากขึ้น ลมหายใจก็จะมาช้าลงจิตจะรู้และอยู่กับความนิ่งมากขึ้น ก็น้อมจิตออกมาจากความนิ่งจากลมหายใจมารู้สึกที่มือข้างขวาและข้างซ้ายให้เกิดความรู้สึกจิตออกจากลมหายใจแล้วมาอยู่ที่มือข้างซ้ายหรือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือซ้ายปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกและจิตกําหนดยกมือทั้งซ้ายและขวาขึ้นมาไว้ที่หน้าอกแล้วก็ประดมมือ พร้อมกับทำในใจรู้สึกตัวอย่างสบายๆเราลึกถึงทานศีลภาวนาบุญกุศลที่ร่วมกันทำในวันนี้ตั้งแต่การไหว้พระวิรัตศีลตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าที่เราตั้งใจรักษามาตลอดในวันนี้นึกถึงการความธรรม นึกถึงการนั่งสมาธินึกถึงการเดินจงกรมพร้อมทั้งทานที่ได้ร่วมกันทําได้ร่วมกันอนุโบทนาความรู้สติและปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในวันนี้รวมเป็นมหากุศล แล้วทำในใจระลึกถึงบุญทั้งหลายในชีวิตของเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในถังสารวัตรนี้ทุกภพทุกชาติอันเป็นบุญที่เกิดจากทานก็ดีทุกภพทุกชาติอันเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็ดีทุกภพทุกชาติอันเป็นบุญที่เกิดจากการเจริญจิตภาวนาแม้แต่การควางพระธรรมเทศนาทุกภพทุกชาตินั้นก็ดีรวมทั้งบุญปัจจุบันนี้ จงรวมเป็นมหาอานุภาพแห่งบุญกลับกลายเป็นตะบะเป็นเตชะเป็นปัจจัยเป็นกําลังเป็นมหาอํานาจแห่งกุศลส่งผลตั้งใจน้อมอุทิศให้บุปการีบุคคลที่ละโลกนี้ไปแล้วที่มีส่วนทําให้ชีวิตของเราขันห้าของเรารูปนามของเรานี้ตั้งอยู่นาที่นี้ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายขาดท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้ท่านเหล่านั้นที่ละโลกนี้ไปแล้วไม่ว่าอยู่ในภพหนึ่งภูมิใดขอให้อนุบธทนารับเอาบุญกุศลที่เราได้รวมกันทำในวันนี้หากอยู่ในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากอยู่ในที่สุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป หากชาติหน้าพบใหม่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนามีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมั่นคงในพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในเส้นทางแห่งสวรรค์พระนิพพานอันเป็นที่สุดน้อมจิตกลับมาระลึกถึงบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ตนเองได้กระทาโดยลาพัง ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีการคังธรรมก็ดีการไหว้พระสวดมนตก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นรวมเป็นมหากุศลตั้งขึ้นที่ใจน้อมรำลึกถึงบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในแสนโลกธาตุที่เป็นอริชาติเป็นตรัรูเป็นข้าศึกเป็นเจ้ากรรมเป็นนายเวรที่เคยทําไม่ดีกับเราหรือเราเคยทําไม่ดีกับเขา ที่เขาไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้นขอให้อนุโบทนารับเอาบุญกุศล น, นี้เราจะเป็นผู้อาโหสีกรรมอาโหสีเวนในกรรมทุกประเภทในเวณทุกชนิดทุกพกทุกชาติไม่ไงติดค้างแก่กันและกันให้อานุมโมทนาเอาบุญกุศล น, นี้หากท่านใดมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป และมีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนาศรัทธาในระรตนัตรัยอย่างมั่นคงจนกว่าจะถึงพระนิพพานน้อมใจกลับมาสู่ลมหายใจตั้งไว้ที่ใจระลึกถึงบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้กระทำตลอดมาทั้งชีวิตทุกภพทุกชาตินั้นรวมเป็นมหากุศลเป็นเหมือนถนามพลังตั้งอยู่ที่ใจของเรา และอุทิตแผ่ออกไปจากใจเราตรงนี้จากรูปนามอันนี้ให้กลับเพื่อมเป็นวงกลมขยายกว้างออกไปทุกรอบทุกมุมสัประสัตว์ทั้งหลายในแสนลูกกระถานนี้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์หลายเท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้า สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ที่อยู่ในอากาศสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ที่เกิดในอันตะชะสั้งเสตะชะชลาผู้ชะและโอปาติกะในกําเดิดทั้งสี่สัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามะจรภูมิกําเดิดอยู่ในกามะพบทั้งหมดสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปาวจรภูมิกําเดิดอยู่ในรูปะพบทั้งหมด สัตที่ต้องเที่ยวอยู่ในอรูปาวจรภูมิกำเดิดอยู่ในอรูปภพทั้งหมดทุกภพทุกภูมิทั้งสามสิบเอด็ดภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นให้ได้รับบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกลมท่วมทับด้วยแรงอำนาจปรารถนาของมหาของมหาปุสล ให้ท่านนั้น น, นได้อนุมโมทนาแล้วสวยสุขอยู่ในภพแห่งตนถ้าท่านใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกท่านใดที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนามีความศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์มั่นคงอยู่ในพระรัตนาใจมีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวิในอันเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา จนกว่าจะถึงพระนิพพานทั่วกันทุกรูปทุกนามตื่นได้เวลาสมควรสำหรับวันนี้